นี่คือในการเปิดทำที่ถูกปิดภาพออนไลน์ทางเพียวธรรมะ .com อาตมาพระไพบูลอภิปุโนจากวัปดป่าบางไฮโซ ก, ก็มีผู้ดำเนินรายการร่วมด้วยนัย่นคือหมอรัตพงศ์ครับสวัสดีครับผมธนแพนทย์รัตพงศ์กนกวิรุณนะครับเป็นผู้ร่วมรายการวันนี้ก็เป็นตอนที่10นะครับตอนที่10บแล้ว ค, คือทุกๆตอนเนี่ยอาตมากับหมอรัตพงศ์ก็จะมาพบท่านผู้ฟังนะทางพอตอาร์ก็ทําไมต้องเป็นพระไพบูล ทำไมต้องเา็หมอรัตพงศ์ครับเหตุก็เพราะว่าจริงๆแล้วหมอรัตพงศ์เนี่ยเป็นผู้ที่ในศึกษาเขาเรียกว่าอะไรพุทธวจนะมากแล้วก็อาตมาก็ศึกษาพุทธวจนะเหมือนกันเรามาคุยกันแล้วก็คิดว่าในประเด็นแง่มุมต่างๆอะไรที่เราได้ศึกษากันมาเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังอื่นๆที่เพิ่งเริ่มศึกษาก็ตามที่ศึกษามาแล้วปฏิบัติมาบ้างนะต้องการเห็นแง่มุมมากขึ้นเราก็เลยแท็กทีมกันมาทํางานพอดแคสต์ตรงนี้เพื่อให้ ท่านผู้ฟังได้มีประโยชน์รับฟังธรรมะกันได้มากที่สุดครับแล้วก็ธรรมะที่เรามาพูดมาคุยกันนี่ก็ใช้หลักฐานจากพุทวจนะครับตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางเนี่ยที่ที่ที่เราทางเว็บไซต์นะคะหนังสือห้าเล่มนะในหนังสือห้าเล่มของจากขอะท่านจุดจากพระ ก, ระกระ์ของท่านพุทธทาบ ซึ่งในตั้งแต่ที่เราเริ่มรายการกันมาตอนนี้เป็นตอนที่สิบถูกไหมครับผมก็ตอนที่สิบครับท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังกันมาก็จะทราบว่าตอนนี้เรากําลังวันซีรีส์อยู่และเป็นตอนที่เรากำลังพูดถึงเรื่องเรียมักทั้งแปดอย่างใช่ครับคลียมักมีองค์แปดทั้งแปดองค์นี้ก็ไล่ร้อยเรียงมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เป็นองค์องค์ที่แปดนะครับไม่ใช้คําว่าองค์สุดท้ายนะใช้คองค์ที่แปดอีกทีนี้ว่าคราวที่แล้วเราจบกันทุ่นๆเลยสมาสติ ครับนะคราวนี้เอาสัมมาสมาธิบ้างครับสัมมาสมาธิก็คือสมาธิชอบครับสมาธิชอบสมาธิชอบคือสมาธิที่ถูกต้องครับออกแสดงมันมีสมาธิที่ผิดใช่ใช่ครับมีแน่นอนมีแน่นอนสมาธิที่ผิดเนี่ยอย่างเช่นว่าคุณจะไปล่วงกระเป๋าเขาอ่ะเราบอสมมติคนขโมยนช่ไหมเขาจะที่แผนการต่างต่างก็ต้องมีสมาธินะอคนจะไปล่วงกระเป๋าเนี่ยคุณเล็งแล้วนะเดี๋ยวก็เอามืองึบเอาไปเนี่ย โชคไปไสมาธิต้องสุดยอดเลยใช่ครับพวกนั้นเป็นมิจฉาสมาธิหมดมในทางไม่ดีใช่เพราะเบียดเบียนคนอื่นครับอ่านี่คือเราพบตายเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบัญญัติไม่ชัดเจนอะไรคือสัมมาสมาธิไม่ชัดเจนก็คือสมาธิที่อยู่ในขั้นที่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ฌาน4ี่นะครับโดยไม่อาศัยสิ่งต่างๆภายนอกทำให้จิตเป็นสมาธิไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย ทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิแต่ว่าเป็นสมาธิที่เกิดจากในภายในนะคือสังกัดจากการมอกุศลธรรมทั้งหลายจึงมีสมาธิเกิดขึ้นครับครับเราไล่ทีละลาดับเลยไหมครับท่านชาติที่หนึ่งคืออะไรเพราะว่าเผื่อผู้ใหม่ผู้ที่เริ่มปฏิบัติหรือว่าเออเพิ่งมาเจออย่างเงี้ยจะได้เข้าใจโดยรายละเอียดดีไหมครับก็สมาธิอันแรกนะผู้ทีชาพูดถึงการที่สงัดจากกรรมสังัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายครับ เอาแค่ okay, นี้ก่อนสังกัดจากสังกัดเนี่ยสังกัดเนี่ยนะเป็นภาษาไทยครับอถ้าไปดูภาษาบาภาษาอังกฤษที่เขาแปลมาเนี่ยครับ เ, เขาจะใช้รากศัพท์ของคําที่ว่าแม้มแมลงสักตัวก็ไม่มีโอหมายความว่าไงหมายความว่าลา ก, กลางคืนเนี่ยถ้าคุณมาอยู่ที่วัดป่าตอนไหนโศกเนี่ยแต่เพรว่ามันจะมีมะแมลงอะไรต่างมาร้องนิงแงนิงอะไรต่างกับมันนะอืมอย่างนี้คือไม่สงัดเลยฮะยังไม่สังัดสังกัดนี่คือแมลงสักตัวก็ไม่มี โโคือเหมือนกับคนอยู่ในที่เงียบมากๆจนหโห่เนี่ยมีเสียงหึง่งขอ่านั่นน่ะอย่างนั้นถึงจะสัสงั ด, ดจริงจริง ส, สงัดอย่างนี้นีส่สังัดอย่างนี้สัสงัดจากอะไรสัสงัดจากการมและกักกุศลธรรมทั้งหลายกกกุศลละธรรมทั้งหลายเนี่ยพอจะออนึกตัวอย่างเช่นจะเป็นเคยเคยได้ยินว่าคือพยาบาทเบียดเบียนใช่ไหมครับท่านอาจารย์จามพยาบาทเบียดเบียนนี่คือชุดของ อกุศลธรรมใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นอกุศลธรรมเนี่ยมีหลายอย่างการเบียดเบียนผู้อื่นความอคตันยู่ความคิดที่จะปองร้ายเขาหรือว่าอะไรที่เป็นพยาบาทที่ที่ไม่ใช่ใช้คำว่าพยาบาทเบียดเบียนแต่เป็นอกุศลธรรมอย่างเช่นการมีอภิชาอภิชาคือความเพ่งเลงเพ่งเลงว่าทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราอย่างนี้คือแค่ความคิดอย่างนี้นะ ก็เป็นอกุศลธรรมความอยากได้ของผู้อื่นนี่แหละฮะก็เป็นอกุศลอภิชาอภิชาคืออกุศลธรรมความคิดพวกนี้ไม่ให้มีความอกตันยูเป็นอกุศลธรรมไม่เอาความที่คิดว่าพ่อแม่ไม่มีทานให้ไม่มีอันนี้ก็เป็นอกุศลธรรมไม่เอาสงบเงียบอย่างนั้นเลยอย่างนี้โอ้โหจิตท่านแหลมไปอะไรนิดนึงก็ถือว่าไม่ หรือสังข์ใช่ครั บ, รบทีนี้ว่าพอมีสงัดอย่างนี้แล้วเนี่ยในลักษณะ น, นั้นเนี่ยถ้ามีสังัดอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะค ว, ค, ดดนความคิดใดๆนะที่เกิดขึ้นในความคิดในใจอนะครับที่เกิดขึ้นใดๆในจิตเนี่ยที่ไม่มีกามและอกุศลทมทั้งหลายแล้วทําให้ปีติและสุขเกิดขึ้นครับแล้วตั้งอยู่ได้นั่นหนหะคือฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งภาษาบาลีเขาว่าอย่างนี้ครับิสมบัติเขาบอกว่าครับ ถ้าถึงคือทางอย่างเงี้ยเรียกว่าเข้าถึงปฐมฌานแล้วนะซึ่งในองค์ประกอบเนี่ยจะมีวิตกวิจารณ์มีปิติะสุขอันเกิดจากวิเวกครับแล้วแลอยู่คําว่าแล้วแอยู่เนี่ยเาจมาตีความว่าอย่างนี้ตีความว่าแล้วตั้งอยู่ในวิหารธรรมนั้นได้ตั้งคือแล้วแลอยู่อแสดงว่ามีมีระยะเวลาที่มันทอดอยู่ว่าเราอยู่ในในความอปิติสุขอยู่ได้อยู่ในระยะเวลาอันหนึ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ปหายแป๊บหายอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับ ถ้าแป๊บหายแป๊บหายก็คือคุณก็อยู่ในชัติหนึ่งแค่แป๊บแปบตรงนั้นอ่ะครั บ, รบทีนี้ประเด็น ค, คือต้องให้มันอยู่ได้ต่อเนื่องกันครับก็คือเป็นผู้ที่ฉลาดในการดํร า, ารงอยู่ับฉลาดในการดํารงอยู่ฉลาดในการเข้าฉลาดในการออกจะทําให้เป็นผู้มีอํานาจเหนือจิตทํตาให้เป็นผู้ที่สามารถเข้าสมาธิได้ง่ายครับคเนี้ยครับผมชอบใจมากๆเลยครับท่านที่บอกว่าเนี่ยการมีอํานาจเหนือจิตเนี่ยมันมันสูงส่งนะครับเพราะว่า ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเหมือนเราเร า, เราถูกไอ้พวกนิวรณ์หรือกิเลสต่างๆมาครอบคลุมก็คือโอ้โจิตถูกอยู่ใต้อํานาจของสิ่งเหล่านั้นใช่การที่จะเราจะพลิกขึ้นมามียม น, นั่ในจิตเนี่ยยากไหมครับท่านตองนยากหรือง่ายเนี่ยมันมันคือมันได้ทั้งยากทั้งง่ายนะอย่างสมมติว่าถ้าอาจมาเคยยกอุ ป, ปมาอุปไมยอย่นี้ว่าสมมตินในห้องเนี้มันสว่างอยู่ครับถ้าถ้าเราถามว่าความมืดอยู่ที่ไหน เราเปิดไฟอยู่ความมืดอยู่ไหนความมืดก็อยู่ตรงเนี้พอเราปิดไฟเพิ่มมืดทันทีอืความมืดไม่ได้อยู่ไกลเราเลยแต่การเปิดไฟก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคุยว่าโวมันยากหรือง่ายเนี่ยจะทําให้มีอำนาจเหนือจิตเนี่ยสมาธิเนี่ยจะทําให้เรามีอํานาจเหนือจิตอเพราะฉะนั้นบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะมีความประสบการณ์อย่างนี้คือครับเดี๋ยวจะไปคิดเรื่องที่ไม่ต้องการคิด เช่นเรื่องที่อย่างบุคคลนี้ก็เคยทําให้ด right. ีกับเราเดี๋ยวไปคิดถึงหน้ามันอยู่บ่อยๆอืมบางๆที่เราไม่ได้ต้องการคิดเลยนะเราเราไม่อยากคิดถึงเรื่องนี้อีกแล้วแต่เดี๋ยวมันไปคิดเรื่อยลูกคนนี้หรือว่าบุคคลคนนี้ทําให้เราไม่พอใจเดี๋ยวไปคิดเรื่อยไหเวลาโกรธกันเนี่ยขุดเรื่องที่ไม่ดีต่างๆเอามัดแฉกันหมดต้นนี้มันควรจะลืมไปแล้วใช่ครับคุณไม่มีอำนาจในจิตนะอย่างนี้บางครั้งเราผ่านไปในที่ที่ ห้างสรรพสินค้าเห็นของชิ้นนี้เห็นอาหารอยากแบบนี้แหมอยากกินมากเป็นไปตามอำนาจปากอเป็นไปตามอำนาจผัสสะเห็นของอย่างนี้ต้องซื้อต้องเก็บต้องมีอันนี้ไปละถูกจิตบงการครับอจิตเขาเนี่ยก็จะไหลไปตามสิ่งที่เขาชอบไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เขาชอบตามพยาตนณาทั้งหลายที่สัมผัสที่เกิดผัสสะขึ้นมา อ, อาหารแบบนี้เราเคยกินไว้ทำยังไงอ่ะก็จิตก็จะไหลไปตามแล้งั้นใครจะซื้อมากินเนี่ยมันก็จะไหลไปตามอย่างนี้เราก็จะสั่งงานจิตไม่ได้เฮ้ยตอนนี้กําลังทําข้อสอบอยู่กําลังคิดงานอยู่จะไปกินอะไรหยุดอา้าวบางครั้งเราสั่งไม่ได้หรือบางทีเราต้องการคิดเรื่องเนี้คิดงานคิดไม่ออกทํายังไงแก้ไขปัญหายังไงใช้วิธีการไหนคิดไม่ออกสักทีา็ทำไมคุณสั่งจิตให้จัด ก, การงานตรงนี้ไม่ได้ครับอซึ่ง ซึ่งตรงนี้จริงต้องเป็นสิ่งที่เราว่าต้องฝึกจิตต้องฝึ ก, กจิตนะครับอืมครับเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เราจะต้องการฝึกจิตเนี่ยเราก็าต้องเป็นลักษณะของสมาธินี่แหละพระพุทธเจ้าจึงให้ฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยพวกฤาษีหรือว่าพวกพรามเนี่ยที่มีสมาธิสูงสูงเนี่ยพระเจ้าจึงคิดที่จะไปแสดงธรรมกับพวกนี้ก่อนอวพวกนี้ะจะบรรลุทำได้ไวใช่ไหมครับจากจากประวัติพุทธประวัติเนี่ย บรรลุทำกันปั๊บแป๊บป๊บแป๊บโอ้โหเข้าถึงระดับอริยะบุคคลขั้นต้นขั้นกลางขั้นอะไรก็เพราะว่าเขามีพื้นฐานของสมาธิดีอืมครับเขามีพื้นฐานของสมาธิดีพื้นฐานของสมาธินี่ก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้อจิตเนี่ยพร้อมตั้งมั่นในการที่จะจะเขาเรียกว่าอะไรเข้าไป<อ>สิงวิมุตติได้อืมใช่ครับ มีความตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งเดียวที่จะเข้าสู่ภาวะของอริยบุคคลได้ง่ายใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้นี่คือเราพูดถึงประเด็นง่ายๆคร่าวๆนะเกี่ยวกับเรื่องชา้นที่1เท่านั้นเองครับชาติหนึ่งปฐมฌานปฐมฌานชั้นที่สองสามสี่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะไล่กันไปมีประเด็นหนึ่งที่อาจมาต้องการจารอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสมาสมาธิเนี่ยคือบางคนจะบอกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นก้อนๆเป็นสิ่งที่เราต้องเอาเป็นสิ่งที่เราต้องได้แต่นี้พรุทธเจ้าบอกว่าไม่่ใชง พุณเช่าบอกว่าองค์ประกอบของสัมมาสมาธิเนี่ยก็คือมีบริการอยู่เจ็ดอย่างนะคือสมาทิฐิสมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสมาชีวะสมมาวายมะจนถึงสมาสติเจ็ดอย่างเนี่ยแวดล้อมอันนี้การแวดล้อมจิตอันใดอยู่แวดล้อมจิตอยู่นะแวดล้อมจิตอยู่คสมมติจิตเรานไปอยู่ในสมาสมาธิจิตเราไปอยู่ในสมาสติจิตเราไปอยู่ในสมาชิวะจิตเราไปอยู่สมมาวายมะไล่ไปหมุนไปเปลี่ยนไปอย่างนี้ จิตเนี่ยทั้งหมดเจ็ดอย่างที่แวดล้อมจิตอยู่เนี่ยครับที่แวดล้อมจิตอันเป็นหนึ่งอยู่จิตเป็นหนึ่งด้วยนะจิตอันเป็นหนึ่งนั้นน่ะนั่นน่ะคือสัมมาสมาธิโอ้โหประเด็นนี้ใหม่ใหม่หมสําหรับกับผมด้วยน ะ, ะ<อ>ก็คือองค์มรรคก็จะเกาะเกี่ยวเรียงร้อยกันใ ช, ใช่ไหมครับเรียงรอย้อยอ๋อเจ็ดอย่างนะแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะนั่นน่ะคือสัมมาสมาธิอืออยู่ที่จิตสัมมา สมาทานที่เป็นแก่นแกนกลางหรือแกนกลางด้วยไหมครับที่ก็จะเป็นองค์รวมทั้งหมดอพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าใครมีสมาธิทิแล้วเนี่ยจะทําสมาสมาธิให้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อืใครทํามีสมาสมาธิแล้วเนี่ยจะทําำบัพญิปานให้แจ้งได้เป็นไปได้อืมครับเพราะว่าสมาสมาธินี่มันรวมหมดทุกอย่างเลยครับใช่ครับอืมครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วเออสมาธิทิฏสมาวยามาจนถึงสมาสติเนี่ยมันอยู่ในฌานสี่ยังไง อ่าชั้นสี่ชั้นสี่ก็คือ <c oughs> ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่มีปิติไม่มีสุขเอาแค่ ง, ง, ง, ง่ายๆเอาชั้นที่หนึ่งเลยไม่ต้องเลือกถึงชั้นสองสามสี่แใช่ครับถามว่าชั้นที่หนึ่งคุณมีม า, ากแปดอยู่ในนี้ยังไงมีครับก็การการที่เรามาอาละละอคุสนทั้งปวงเนี่ยเราจะต้องมีสมาธิิ <c oughs> ก็คือว่าเออเห็นว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีอืมเรามีมีปัญญาที่จะไปละสิ่งไม่ดีแล้วก็การที่เราพิจารณาว่า อ่าสิ่งนี้ดีเราก็ต้องมีสติไประลึกรู้ใช่ไหมครับใช่ระลึกรู้ว่าสิ่งนี้เออมันเป็นสิ่งไม่ดีนะเราจะละมันไปเราจะประกอบกับสิ่งที่เป็นกุศลกรรมใช่หมครับใช่แล้วก็อย่างกรณีของอะไรกันอย่างพวกสัมมาวายมะก็เป็นความเพียรชอบซึ่งการจะทำสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมีความเพียรที่จะมากระทำให้มันต่อเนื่องใช่ใช่ส่วนสัมมาอาชีวะ อันนั้นอาชีวะวาจามันก็มาด้วยกันอยู่แล้วต้องมาอยู่แล้วไปถึงก็จึงว่าเอาแค่สมาธิเนี่ยคุณก็มีมรรคแปดพร้อมครับแสดงว่าอย่างที่ที่ท่านเคยอธิบายมาในหลายหลายครั้งหลายครายก็ว่าการจับมรรคองคใดองค์หนึ่งมรรคองอื่นก็จะติดตามมาด้วยอ่าตามมาด้วยไม่มากก็น้อยนะครับครับอย่างพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของสมาธิห้าอย่าง ที่จะทําให้เป็นอริยะได้ก็คือพูดถึงเรื่องฌานทั้งสี่แล้วก็พูดถึงเรื่องการที่ให้พิจารณาที่ห้าคือการพิจารณาก็จะทําให้มาผลนิพพานให้แจ้งได้พิจารณาด้านเห็นอะไรเห็นเกิดดับหรือเห็นอะไรครับท่าพิจารณาตัวเนื้อความพิจารณาอะไรก็คือให้พิจารณาเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าเห็นเหมือนคนคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่ง หรือว่าเห็นคนยืนเห็นคนนั่งหรือว่าเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนเป็นนี้คือให้พิจารณาพิจารณาอะไรอ่ะพิจารณาธรรมที่เราเห็นอยู่เนี่ยแยกออกมาดึงออกมาคือเหมือนกล้องถ่ายรูปครับกล้องถ่ายรูปเนี่ยคนคือถ้าเราอมองสมมติมองดูภาพภาพหนึ่งครับสมมุติเรามองเห็นตัวเราเองเนี่ยถ้าใครเคยเล่นเกมสามิติอนะมันจะเปลักษณะว่าถ้าคุณเดินไปตัวเองเป็นสามมิติเนี่ยคือคุณเห็นภาพข้างนอก ก็คือจะไม่เห็นตัวจะเห็นแค่มือสองข้าง hmm. เป็นเป็นโฟล์กราวนั่นคือภาพที่เราเห็นแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีสตินะคือคุณดึงออกมามีกล้องตัวหนึ่งถ่ายคุณอยู่คือคุณก็จะเห็นภาพที่มีตัวเองอยู่มีทั้งตัวมีทั้งหัวมีทั้งตามีทั้งแขนขาแล้วก็เห็นภาพข้างนอกด้วย hmm. น, นี่คือกรณีที่สองเย่ยคือเขาเรียกว่าแยกออกมาดึงออกมาเนี่ยคือพิจารณาดึงออกมาล เป็นลักษณะของการมีสติก็คือเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งอืไม่ใช่คนนั่งเห็นตัวเองแต่เป็นคนยืนเห็นคนน like ั่งเพราะฉะนั้นคนยืนเขาจะเห็นมุมมองได้มากกว่าของคนนั่งคนนั่งเห็นคนนอนคนนอนก็จะถูกเห็นด้วยคนนั่งมากมายหลายกว่าคนนอนเห็นตัวคนนอนดีสติจะเป็นอย่างนี้หมายถึงเราเรามองคนอื่นสมมุติว่าเราเรายืนเห็นคนนั่งใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ในสมาธิอย่างนี้นะ ค, คุณอยู่ในปิติสุขในสมาธิคุณต้องแยกออกมาอเพื่ออ ะ, อะไรนะท่านเห็นตรงนี้มันยังยังยั ง, ย, ง, ย, งยังไม่ค่อยชัดเจนกระจา่างเท่าไหร่ว่าเพื่ออะไรถ้าใครทําตรงนี้แล้วเนี่ยย่อมน้อมจิตไปเพื่อกระรรญญ ท, ทําให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งซึ่งทําได้ที่ควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญายิ่งได้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์หลายท่านบอกว่าสมาธิทําไปทําไปแล้วไม่เกิดปัญญามันไปใครปัญญาได้ไงวะครับตรงนี้พุทธบัณนะตรงนี้ซัพพอร์ตสนับสนุน เพราะว่าถ้า oh. คุณดึงออกมาแยกออกมาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า disassociate ครับ disassociate ก็คือแยกออกมาคือเห็นโดยที่เหมือนกับกล้องมองจากบุคคลที่สามอ๋อสมมติอาจมาคุยกับหมอหน้าต่างองอยู่ถ้าอาจมาอยู่ในกระบวนการการคุยเนี่ยกลั บ, บเห็นเป็นภาพเนี่ยเราก็จะเห็นแค่มือเราจะไม่เห็นหน้าตัวเองแต่ถ้ามองจากบุคคลที่สมเนี่ยจะเห็นทั้งหน้าหมอหน้นต่างมองหน้าอาจมาแล้วก็กระบวนการกา ร, การที่พูดคุยกันอยู่ เห็นปฏิสัมพันธ์เรื่องราวที่พูดคุยด้วยนั่นแหละคือการที่พิจารณากลับะเห็นเหมือนคนอีกคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งคนยืนเห็นคนนั่งคนนั่งเห็นคนนอนคนอย่างนี้ไปนี่คือการของการที่มีสมาธิเนี่ยเป็นข้อแตกต่างว่าทําไมฤาษีสมัยก่อน่ะเขาก็มีสมาธินะอย่าพูดถึงแค่ชั้นสี่หรือชั้นแปดเขาก็มีอืมคือเขาไม่เหมือนกชั้นชั้นสี่เราเรียกกันว่ารูปฌานคือต้องอาศัยรูปนะครับอ่าชแล้วก็ อสมาธิที่สูงขึ้นไปกว่านั้นขึในวาสัญญานะสัญญาเละตระหนักเขาก็ยังมีดับแปลาเขาไม่มบรรู้อะเพราะว่าเขาไม่เห็นไม่เห็นการเกิดการดับของสรรพสิ่งใช่ไหมครับใช่เขายังไม่มีปัญญาตรงนี้ปัญญาอ่าเครื่องเครื่องเจาะแทงกิเลสอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่คือว่าเขายังไม่เห็นที่ทําใดๆที่คนทําไม่แจ้งคือยังไม่สามารถแยกออกมาได้แยกออกมาได้ เขามีแต่ความสงบของจิตซึ่งนิ่งมากมากมอย่างเช่นของอัรูปะสัญไม่ตอนนี้คือว่ารูปประชานเรายังเรียกได้ใช่ไหมครับชาญหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าอรูปประชานเนี่ยเข้าใจว่าในพุทธว่าจนะไม่มีใช่ไหมครับไม่มีใช้คําว่าอรูปะรูปสัญญาสมมาสัญญาสมาบัตอักรูปัสัญญาสมาบัติอต้องให้เข้าใจคําตรงนี้ว่าสมมาบัติเนี่ยสมาบัติเนี่ยก็คือทรว่าตานกระชานยังไง ครับต่างยังไงครับท่านชาเนี่ยคือแปลว่าการเพ่งอ่าชาการเพงการเพ่งการเพ่งเนี่ยนี่คือศัพท์พระพุทเจ้านะครับปัจจุบันนี้เราเอามาใช้คําว่าเพ่งเนี่ยคือการบังคับเพ่งคือความเครียดอะไรต่างไม่ใช่อ๋อเพราะฉะนั้นเพ่งเนี่ยก็คือทําให้เกิดได้แต่อย่าบังคับบังคับกับเพ่งไม่เหมือนกันเอาใจจดใจจอกับบังคับไม่เหมือนกันอบางคนนั่งสมาธิเนี่ย เคร่งเครียดอยู่กับลมหายใจคิ้วขโมยอยู่ยนั่นแหะคือคุณบังคับอืการเอาการเพ่งเนี่ยไม่ใช่การบังคับการเอาใจจดใจจ่อเนี่ยไม่ใช่การบังคับเพราะฉะนั้นการที่เราสังเกตลมหายใจอยู่เนี่ยอย่าบังคับอ๋อให้สบายๆือเห็น<ร>ตามความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นเวลาสังเกตลมหายใจอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเพ่งลมหายใจแล้วนะ เพ่งนี้ก็คือคำกลางๆไม่ได้เป็นบวกไม่ได้เป็นลบถูกไหมครับซึ่งซึ่งในสมัยนี้เนี่ยเราเอามาใช้ในทางที่ดีใช่ใช่ใช่สมัยนี้เราฟังว่าเพ่งคือโอ้คุณแบบเครียดไตปเปล่าตึงไปเปล่าเพ่งเลงเพ่งโทษต่างๆมันไปใช้กัำไม่ดีครับซึ่งในซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยคำที่พระเจ้าใช้ก็ใช้เพ่งนี่แหละก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันก็ต้องใช้คําว่าสังเกตเท่านั้นเองสังเจตใช้คากลางๆใช่ครับใช่ครับเพรนถ้าเราจะโฟกัสโฟกัส โฟกัสหรือคอนเซนทร์ไรเชให้ให้จดจ่อไว้ใจดจ่อนี้ยก็จะในปัจจุบันก็จะมีความหมายที่เครียดไปนิดหนึ่งนะซึ่งซึ่งจริงๆมันเป็นคําธรรมดาเฉยให้จดจ่อไว้ใช่ครับเพราะฉะนถ้าใช้คํำปริชาติใช้คําว่าพิงครันะแต่อย่าบังคับให้กับใจจดใจจ่อทําให้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติให้สังเกตเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นพอเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยอ่าก็จะ สมาธิจะเกิดขึ้นได้ครับอประเด็นที่จะต้องการพูดต่อไปก็คือเรื่องที่ว่าแล้วสมาธิกับสติเนี่ยมันต่างกันยังไงอืมสติคือความระลึกได้อืมสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเออใช่มันเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันไหมครับมันทํางานยังไงอย่างเงี้นะเหมือนเหมือนกับว่าที่ที่ผมรับทราบมาครับต้องมีสติก่อนแล้วให้สติเนะี่ยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง ก็จะเป็นสมาธิอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับออันนี้เป็นไปได้เกิดขึ้นได้แล้วถามว่ามีสติโดยที่ไม่มีสมาธิได้ไหมมีสติโดยที่ไม่มีสมาธิได้ครับได้ัไม่ได้อยู่ยาวนานใช่ไหมครับมีสติแวบแวบคือยังมีสติในเรื่องของนิวรณ์ก็ยังได้โอนิวรณ์สมมติจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านแต่คุณมีสติอยู่ได้นะ ครับมีสติอยู่สติคือความระลึกได้ว่าอขณะนี้เรามีนิวรอันนี้พูดไปชัดเจนในเรื่องของธรรมวิปัสสนาสติปัฏฐานครับในในหมดของสมาธิทีนี้แต่ถ้าเรามีสมาธิโดยไม่มีสติได้ไหมก็พดีมีสมาธิที่โดยไม่มีสติได้ไหมมีสมาธิโดยไม่มีสติได้นะได้นะคืออย่างพวกฤาษีหรือคนที่นั่งสมาธิเก่งๆเนี่ยเพราะเามีปีติสุขที่อยู่ในสมาธิแล้วเนี่ยเขาก็จมดิ่งลงไป ไหลไปตามยึดมั่นด้วยความเป็นตัวตนอันนี้ก็คือมีสมาธิเต็มที่เลยนะแต่ขาดสติอ่ไหลไปตามปติสุขที่เกิดขึ้นละ่ะเห็นนั he arn, he arn, he arn. ่เห็นนี่เพ้อไปเป็นบ้าเป็นอะไรงนี้เราเห็นได้เ<อ>ต็มที่มีเยอะแยะอย่างนี้เข้าเข้าข่พวกติดสุขไหมครับท่านติดสุขในสมาธิอย่างเงี้ยแล้วพอมีอะไรเกิดขึ้นในสมาธิเนี่ยเขาจะตามเห็นแสงเห็นภาพได้ยินเสียงก็จะเริ่มบ้าล่ะเริ่มเพ้อล่ะอันนี้คือมีสมาธิแต่ขาดสติ เป็นจิตปรุงแต่งไปเป็น่พวกเคำว่าจิตตสักขันคาว่าจิตปรุงแต่งอะนะจิตปรุงแต่งหรอสภงมันอ๋อไม่ไม่มันใช้คําคํำนี้คือเรามาใช้ในลักษณะที่ไม่ดีแต่ถามว่าจริงๆคําว่าจิตปรุงแต่งเนี่ยเป็นคําที่เราคิดขึ้นเองนะคือว่าความคิดปรุงแต่งถกความคิดปรุงแต่งก็มีดีก็มีความคิดปรุงแต่งที่ไม่ดีก็มีครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักพุทธวจนะเนี่ยไอ้คำว่าความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นคําที่เราใช้ขึ้นเอง ไม่มีคําว่าพจะพุทวจนะว่าความคิดปรุงแต่งนะครับความคิดปรุงแต่งดีๆก็มีอย่างเช่นว่าอคุณจะคิดจะพูดดีเนี่ยจะพูดสมาวาจาคุณไม่ต้องคิดปรุงแต่งก่อนหรอถูกต้องครับเก็ต้องคิดปรุงแต่งว่าเราจะพูดดีๆยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิอยู่มีความคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีมันทําไมจะเป็นไปไม่ได้ได้อ่าเป็นไปได้คเพราะฉะนั้นเราจะใช้บทเพลญชนะเนี่ยเราจะต้องระวังนิดหนึ่งก็ครับที่ใช้ที่เป็นพุทธวจนะ งันความหมายเพี้ยนน ะ, ะคว่ามหมายเพี้ยนเราก็จะบางทีปฏิบัติไปมันสับสนเอ้าคุณมีคุณไปมีสติในนี้รณ์ได้ไงมันได้เนะ<ม>พียง แ, <ต>แต่ว่าคนที่ยังไม่ชํานาญเนี่ย<ๆ>ก็จะไม่สามารถลกนิวรอ์ได้ใช่ครใช่ใคนที่ยังไม่ชํานาญเนี่ยคุณบอกว่าโอ้ยทําไม่ได้หรอกสังเกตเราไม่ใช้ไม่ด้วยขับรถไปด้วยนะจะมี<พ>สมาธิในขณะขับรถได้ไงมันต้องมีสิไม่มีแล้วจะขับรถได้ไงครับรถก็ชนสิใช่เพียงแต่ว่ารูปแบบของสมาธิเนี่ยเราต้องให้คล่องแคล่ว พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยจะทําสามารถสมาธิให้เกิดขึ้นได้เนี่ยคุณต้องฉลาดในการเข้าฉลาดในการดํารงอยู่ฉลาดในการออก อ, ออก อ, อกครับฉลาดในธรรมะอันเป็นที่สบายของสมาธิการฉลาดในสิ่งที่เป็นที่เอื้อเฟื้อแก่สมาธิครับฉลาดในเรื่องพวกเนี้จะทําให้อ่าเป็นผู้ที่มี อ, ดดอํานาจหนึ่งจิตด้วยออีกประการหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับธรรมาครับ อ, อะไรนะครับกัน เวลาที่ไปาาสารที่หรือว่าที่ที่เรามีภัษาที่เราไม่น่าพอใจอถ้าเราอดทนได้อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจได้าตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้สามารถเข้าสู่สมาธิได้หมายถึงไปที่ที่เราแบบไม่ไม่ดีมีมีผัษาที่ไม่ดีแล้วเรา อดทนหมายถึงว่าอดทนอยู่ได้อยู่สมมติอ่ะอยู่อยู่กับจิตอยู่กับลมหายใจอย่างเงี้ยเราก็จะเกิดสมาธิได้ง่ายใช่างนี้ใช่ไหมครับจะเป็นผู้ที่ทําให้เข้าสู่สมาสมาธิได้อดทนเหมอนกับเป็นเป็นโจทย์เป็นโจทย์แล้วเราก้าวข้ามก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านั้นก็จะเข้าสู่สมาธิครับอันนี้สังเกตได้จากตอนที่ได้เคยไปอินเดียมาครับแล้วก็เจอภาษาต่างๆที่ไม่น่าพอใจบ้างเราอดทนครับ พออดทนผ่านไปได้เนี่ยเอ๊ะเรากลับมารู้สึกว่าสมาธิเราดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเรารู้ได้ไงจิตเราตั้งมั่นได้ดีขึ้นภาษาเรื่องต่างไม่กลัวเรามากเพราะว่าเราอดทนไว้เพราะนั้นจึงมาเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกท่านผู้ฟังว่าอดทนเนี่ยดีให้อดทนไว้จะเป็นเหตุที่ทําให้เข้าสู่สมาธิได้ง่ายด้วยอดทนต่อภาษาในทั้งห้าอายตนะหกอายตนะเลยท่าทางจิตด้วยตาหูจมูกเดินกายใจ Mm hmm. อย่างนี้มอ ง, มองกลับได้ไหมครับใ น, ในทางโลกว่าเออถ้าเราเจออะไรที่ไม่ดีบ่อยๆเนี่ยให้เราอดทนแล้วก็เอาเป็นสิ่งเรียนรู้แล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะก้าวข้ามสิ่งนั้นเพื่อเข้าสู่สมาธิ mm hmm. ได้ถูกเพ่งถูกเพงเลย mm hmm. ครับคือคือภาษา ท, ทั้งหลายแหละที่มันมากระทบเราเนี่ยครับมันก็มีแค่ว่าจะทำให้จิตเราแตกหรือจะทำให้จิตเราแข็งแกร่ ง, ข, งขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเราฝึกนะให้จิตของเราเนี่ย แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยจิตเราก็จะเป็นสมาธิมากขึ้นครับี่คือถ้า แ, แตกจิตเราก็จะแตกอ่ะก็จะไหลไปตามสิ่งนั้นครับพลังจิตอำนาจจิตนึงเราก็จะลดลงครับเนี่ยการผมมองว่าการพิจารณาเช่นเนี่ยก็เป็นเนี่ยสัมมาทิฏฐิเพราะว่าคนที่จะมองว่าอ่ามีผัสสะที่ไม่พอใจแล้วก็มองเห็นมุมที่ดีเนี่ยก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันใชแล้วก็ต้องอาศัยโอ้ก็จะเรียงร้อยเรื่องของอริยมรรคแปด ไหลลงมาได้เลยใช่ใช่ไหมครับท่านทีนี้ว่าเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิแล้วเนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องนิวรณ์นิวรณนคือเรื่องเครื่องกลางกั้นใช่ครับเรื่องกลางกั้นทําปัญญาให้ถอยกําลังครับน่ะนิวรณ์ห้าคือเครื่องกลางกั้นคือพอคือเวลาคนเรามันจะทําความดีหัวนรัตพงศ์มันจะมีอุปสรรคถูกต้องเลยครับท่านทุกนี่ส่วนใหญ่เอใช่ครับพอมีอุปสรรคเนี่ยเราจะทํำยังไง เราจะถอย ห, หรือจะสู้เอ <c oughs> เราจะสู้หรือว่าเราจะถอยหรือเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไงเหมือนกันทําสมาธิเนี่ยก็จะมีอุปสรรคของสมาธิครับในะอุปสรรคของสมาธิก็คื อ, อมีห้าอย่างห้าอย่าง เ, าเดี๋ยวแจกแจงเลยครับ อ, อย่างแรกก็คืออง ก, ก็คืเรื่องความอยากในกามความอยากเอาต้งแจกความอยากง่ายๆเอาอยากอยากกนกับบ้านออยากกับบ้านกินอยากนอนอยากพักอยากอะไรต่างอนี้ครับหรือความอยากที่ละเอียดขึ้นไปอยากให้จิตเป็นสมาธิ อ้อันนี้ก็อันนี้ก็พลาดนะคือว่าถ้าคุณมีความอยากอ่ามีความอยากจิตไม่มีทางไปสมาธิอืมสมาธิเป็นของเบาเป็นของต้องปล่อยใช่ไหมครับพระรัตนเจนะบอกไม่ใช่เป็นของอยากได้อยากเอาอยากเป็นอื่อสมาธิเป็นของปล่อยของบางนี่เป็นอาตมาพูดเองนะไม่ใช่พุทธรจ้าทีนี้ว่าถ้าเป็นพุทวจนะเนี่ยพุทธเจ้าก็จะบอกว่าอ่ามันต้องสังกัดจากกามและอกุศลตามทั้งหลายถ้าเรายังมีความอยากอยู่ มันก็ยังไม่ใช่สังกัดใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าให้จิตสงบอย่าอยากให้จิตสงบแค่ทำให้โถเพราะอยากเนี่ยถ้าคุณอยากให้จิตเป็นสมาธินี่เรียกว่าเดินตรงข้ามันตีครับแล้วก็ประการที่สองคือถ้าจิตสงบแล้วปรากฏว่าเอาเอาใหม่จิตฟุ้งซ่านจิตมีความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนี่ก็เป็นเครื่องกั้นอย่างที่สองนะ ความฟุ้งซ่านนี่ต่างๆครับถ้าภาษาบาลีเขาเรียกว่าความฟุ้งซ่านนี่ภาษาบาลีเขาเรียกว่ากุฏจักรอุทจักุกุฏจักรอุทจักนี่คือความฟุ้งซ่านกุกุจักรนี่ว่าความรำคาญใจอ๋อกุฏจักรกุฏจักรมาด้วยกันมาด้วยกันครับความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจใช่ครับแล้วถ้าเรามีความฟุ้งซ่านเราเกิดไม่พอใจครับไม่พอใจเนี่ยคือพยาบาท ไม่พอใจพยาบาทไม่พอใจเนี่ยคือไม่พอใจตั้งแต่คนนั้นคนนี้เรื่องที่เกิดขึ้นคนนี้ทําเสียงดังอะไรต่างๆเนี่ยนะรวมถึงแค่ไม่พอใจว่าจิตเราไปคิดนู่นนะไม่พอใจเนี่ยก็เป็นความพยาบาทไม่พอใจว่าวันนี้ทําไมนั่งแล้วไม่สงบเนี่ยโอ้โหคูนสองคือคุณมีเครื่องกันกั้นถึงสองอย่างพร้อมๆกันอันแรกคือความฟังชั่นอันที่สองคือความพยาบาทไม่พอใจครรับคุณไม่มีทางจิตเป็นสวัสดีได้ใช่ผมได้ยินบ่อยมากเลยครับท่านอาจารย์ครับโมบอกว่า วันนี้แย่จังเลยนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงฟุ้งตลอดเลยอโอ้โหคือถ้าเขาพูดแล้วจิตเขาไม่พอใจด้วยนะจิตเขาก็จะยิ่งไม่มีทางเป็นสมาธิได้แย่ก็จะมีเครื่องกัางกันถึงสองอย่างต้องคามครับอืมแล้วก็อันที่สามคือความขี้เกียจง่วงเหงาหานอ น, อนครับง่วงเหงาหานอ น, อนเนี่ยรวมถึงความขี้เกียจ ด, ด้วยอ๋อขี้เกียจและไม่อยากทำอยากพักนี่ก็คือเป็น ความง่วงเหงาหา่อนพระพุทธเจ้าใช้คําว่าทีและมิทธะมิทธะครับง่วงเหงาหงนอนรวมขี้เกียจด้วยอ๋อหมดเดียวกันหมดเดียวกันซึ่งไอ้นิมนตทั้งห้าอย่างเนี่ยนะอันสุดท้ายคือความความความเคาเรียกว่าอะไรวิจิกิจฉาความวิื่กงแฝงความเ่องแฝงสงสัยซึ่งอันนี้ต่างกันต่างกันกับคําถามอ๋อครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คําว่าส keptic ส keptic คือภาษาไทยมันไม่มีใช้อ่ะอวิจิตกิจานี่คือส keptic ใช่อซึ่งถ้าจะแปลกันจริงๆก็น่าจะแปลว่าความระแวงสงสัยอระแวงสงสัยเหมือนกับไม่ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมานี่มันจริงหรือเปล่าอเล็กมาร์กเนี่ยมันเปล่าใช่มันจะเข้าสู่หนทางอริยชนจริงหรืออย่างนี้ใช่ไหมครับคือวิจิกกิจานี่ครับซึ่งพวกนี้ไม่ดี ่ยงไม่มีแต่ถ้าคุณปฏิบัติไปคุณมีคำถามนั่นนี่อันนี้เป็นไปได้อริยะบุคคลข่านต้นโซดาสกิธาอนุกามก็ยังมีคําถามได้อยู่ครับทีนี้นี่คือเรื่องของนิวรณ์นิวรณ์ห้าโอ้ีหแบบว่าต้องเป็นสิ่งที่ต้องละต้องบรรเทาทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องสมาธิพูดถึงเรื่องนิวรณ์เนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องวิธีแก้นิวรณ์คือต้องเข้าใจก่อนว่านิวรณ์เนี่ยแสดงให้ความเครียดเกิดขึ้นคนอยู่ในที่ทํางานอย่างเนี้ย มีความเครียดอ่นหนังสือเครียดอ่นหนังสือเครียดสอนก็เครียดเด็กพูดไม่รู้เรื่องเครียดพวกนี้มาจากนิมมอร์ต่างนั้นครับอครับซึ่งคิดว่าอไอ้รายละเอียดตรงเนี้จะมาอธิบายให้ฟังครั้งต่อไปได้โอ้โหเครียดนี้พระอาจารย์ครับเนี่ยในในฐานะที่เป็นทนายแพทย์โอ้โหความเครียดนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นต้นเหตุใหญ่ของของโรคทางกายเลยนะครับโรคทางกายรวมทั้งมะเร็งด้วยมเรงอ อันนึงก็คือความเครียดที่แบบว่าโอ้โหบางคนแบบเฮ้กินดีอยู่ดีอะไรดีหมดแต่เครียดเครียดบ่อยเนี่ยเป็นจุดประกายเสี่ยงมะเร็งเลยครับใช่แล้วเดินรวมถึงเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆนะซึ่งตรงนี้เหตุมาจากนิวรงนั้นเพราะฉะนั้นคราวหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องว่าจะแก้นิวรนเนี่ยทายัางไงแล้วก็พอแก้นิวรแล้วทําสิ่งที่เป็นสมาธิแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง อนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับทุกๆคนทุกๆท่านผู้ที่ได้ฟังอันนี้ก็ผมว่านําไปประยุกต์ใช้นี้เป็นประโยชน์จึงต้องบอกท่านผู้ฟังว่าไอ้เรื่องสมาธิเนี่ยคงต้องต่อไปอีกตอนหนึ่งตอนแรกคิดว่าจะทําตอนนี้มันจบเลยแต่ว่ามีประเด็นที่ต้องต้องควบคุมกันใช่ใช่ครับ ผมคิดว่าใช่ประโยชน์มากเลยคิดว่าตอนต่อไปก็มาฟังกันเรื่องของสมาสมาธิต่อในแง่งุมของนิวรณการละการทํางานของมันให้เกิดความเครียดแล้วก็จะได้สรุปจบเรื่องของสมาสมาธิในข่าวต่อไปครับอท่านผู้ฟังที่มีข้อมูลข้อเสนอแนะความเห็นชี้แจงต่างๆก็ส่งมาที่ w w w ร์ไบ t พิลธร com นะครับก็แล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรจะแจ้งให้ทราบนะ ก็แจ้งมากระด่ายเพราะบางทีฟีดแบคอะไรต่างๆแล้วก็ยินดียอมรับแหละยอมรับครับยอมรับเพราะว่าจะได้เป็นข้อปรับปรุงเพิ่มเติมในการดำเนินรายการต่อๆไปนะครับครับก็ขอกราบนมรสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีไว้เท่านี้ครับจพรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง